บทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทคัสสรรโดยเศษดินสิ่งบรรยายโดยโจโฉ คือผู้ประธานชีวิตลูกแม่เฝ้าปลูกอบรมบ่มนิสัยการศึกษามีให้ด้อยน้อยหน้าใครลูกเจ็บไข้แม่ไม่สุขทุกใจกายถ้าเปรียบพระคุณใครในไตรภพไม่อาจลบพระคุณของแม่ได้ลูกขอกราบแทบเท้าด้วยดวงใจ บูชาไว้ชั่วชีวิตนิดนิรัน์แม่หรือมารดาเป็นคำที่เรียกผู้ให้กำเนิดและโดยทั่วไปคือแม่ที่เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกเป็นผู้มีพระคุณต่อลูก เพราะเป็นผู้ให้กำเนิดแม่ทั่วไปมีหน้าที่ต่อครอบครัวคือเลี้ยงลูกดูแลบ้านสำหรับผู้หญิงที่จะเป็นแม่คนหรือจะมีบุตรได้นั้นควรจะมีอายุระหว่าง20ถึง30ปีเนื่องจากในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ไม่เด็กหรือว่าแก่เกินไป คนไทยบางคนมักเรียกแม่ของตัวเองว่าคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นคำที่สุภาพกว่าการเรียกว่าแม่หวนหนในภาษาไทยบางครั้งคำว่าแม่ถูกใช้เรียกผู้หญิงทั่วๆไปหรือจำเพาะเป็นกลุ่มๆเช่นแม่บ้านแม่นมหรือบางครั้งก็ใช้เรียกสิ่งที่เป็นตัวหลักของสิ่งอื่นเช่นแม่ทับแม่งาน และบางครั้งก็เรียกสิ่งที่ให้กำเนิดสิ่งอื่นๆในธรรมชาติเช่นแม่น้าการออกเสียงคำว่าแม่ของแต่ละภาษาแม่หรือว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วให้กำเนิดลูกและลูกก็จะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่โดยทั่วไปแล้วแต่ละภาษามักจะออกเสียงคล้ายอักษรมอม้าเหมือนกันหมด เช่นคนไทยจะเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดว่าแม่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า m เ t อร์หรือม u m um ภาษาสันสกฤตจะเรียกว่ามา n ดาภาษาบาลีจะเรียกว่ามาตาคนจีนจะเรียกว่าาม m าคนแคบจะเรียกว่ามาม i e คนฝรั่งเศสจะเรียกว่ามามองคนญี่ปุ่นจะแปลกกว่าหน่อยจะเรียกว่าโ okasan คนเกาหลีจะเรียกว่าออมมาคนเวียดนามจะเรียกว่าแม่ซึ่งออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยมากแม่เป็นคำแรกที่ลูกได้รู้จักคำว่าแม่เป็นคำที่ไพเราะที่สุดในโลกคนเราทุกคนเกิดมาได้เพราะมีแม่ผู้ที่ให้ทั้งความรักความอบอุ่นและความสงสารแก่ลูก ในขณะที่เราอยู่ในท้องของคุณแม่คุณแม่ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนแม่รู้แต่เพียงว่าผู้ที่อยู่ในท้องแม่ขณะนี้คือลูกลูกผู้ที่จะมาลืมตาดูโลกในเวลาอีกไม่นานแม่จึงได้ทนุถนอมลูกของแม่เอาไว้ด้วยความทุกข์ยากจะลำบากยากเข็นสักเพียงใดแม่ก็พยายามประครับประคองตัวเอง ไม่ให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนลูกที่อยู่ในไส้ได้ทรมานมากอย่างแสนสาหัสท้องของแม่เริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันน้ำหนักของแม่เริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม่จะเดินไปไหนมาไหนก็ไปด้วยความทุกข์ยากลาบากวันที่แม่เจ็บที่สุดปวดที่สุดทุกที่สุดและทรมานที่สุด ก็คือวันที่แม่คลอดเราการที่แม่คลอดเราออกมานั้นแม่ต้องเสี่ยงกับความตายอย่างมากแต่แม่ก็ไม่เคยกลัวต่อความตายเลยสักนิดเดียวเพราะว่าแม่รักเรามากเหลือเกินแม่รักเรามากยิ่งกว่าชีวิตของแม่เสียอีกเมื่อลูกอยู่ในท้องครบกําหนดแล้ว9เดือนที่แม่รู้สึกเจ็บปวดท้องเหมือนใจแทบจะขาดสิ้นแม่รู้สึกเจ็บปวดเป็นยิ่งนัก แต่แม่ก็ทนได้ทนเพื่อลูกรักของตัวเองในวันที่แม่คลอดลูกแม่จะร้องโกลนครางอย่างหวยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างรวดร้าวแสนทรมานอย่างไรก็ตามแม่ก็ยังทนได้ทนต่อความทุกข์ที่แม่ได้รับแม่ต้องดิ้นอย่างทุรนทุราย แม่ทนเพื่อลูกวันเกิดของลูกเกิดเป็นวันตายของแม่แต่ลูกบางคนกลับคิดว่าวันเกิดเป็นเรื่องของความสุขสนุกสนานจัดงานเลี้ยงใหญ่โตมโหราณขอเงินจากพ่อจากแม่มาแล้วก็เอาไปเที่ยวไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆไปหาความสุขไปซื้ออะไรต่อมีอะไรมากมายหลายอย่างแต่แม่เราละ่ะ เราซื้ออะไรให้แม่เราบ้างทำอะไรตอบแทนแม่บ้างไม่มีเลยใช่ไหม วันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉลองกันในกลุ่มผู้ลุ่มหลงหลงลาบยศสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดส่งชีพสั้นเร่งวันตายอีกมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแ้หญิงแก่แก่นั่งหงอยและคอยหายจากวันนั้นถึงวันนี้อันตราย แม่คลอดสายโลหิตแทบปลิดชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไรไม่เคยบน่นกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บปวดเจียนขาดใจ ในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็หลงประเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจา เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในราวปีพุทธศักราช2535เรื่องมีอยู่ว่ามีครอบครัวหนึ่งหลังจากพ่อบ้านได้ตายจากไปนานหลายปีก็เหลือแต่ผู้เป็นแม่กับลูกสาวซึ่งลูกสาวของเธอนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นป .6 ชื่อว่าเด็กหญิงต้อย หญิงต้อยคนเนี้ปกติแล้วจะเป็นคนขี้งอนชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นเด็กดื้อด้านเกเรชอบเที่ย ว, ตวเตร่สนุกสนานเฮฮาไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่เลยเวลาแม่สอนก็หาว่าแม่ดา่าแม่ดุทั้งที่แม่อยากให้เราเป็นคนดีน่าเศร้าใจมากลูกสาวตัวเล็กๆแค่นี้เองไม่น่าเป็นไปได้แม่อุตส่าห์เลี้ยงดูมาจนเติบโตขนาดนี้ แม่สั่งอะไรใช้ให้ทำอะไรไม่เคยเชื่อแม่เลยเถียงแม่ด่าแม่กระทืบเท้าใส่แม่บางครั้งแม่ถึงกับแอบร้องไห้ในบางครั้งแม่ทำอะไรไม่ได้ก็ปิดประตูแอบร้องไห้อยู่คนเดียวเศร้าใจน้อยใจที่แม่ไม่สามารถจะเลี้ยงลูกของแม่ให้เป็นคนดีเหมือนอย่างลูกของคนอื่นเขาลูกคนเดียวเลี้ยงเอาดีไม่ได้ ถึงกระนั้นแม่ก็ยังรักแม่ก็ยังห่วงแม่ก็ยังให้ความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา แม่ของต้อยเป็นโรคประจำตัวปวดท้องมากเธอก็เลยเรียกลูกเข้ามาหาและบอกว่าต้อยเอ๋ยไปซื้อยาให้แม่หน่อยสิลูกแม่ไม่สบายเด็กหญิงต้อยกลับบอกว่าแม่มีแขนมีขาแม่ก็ไปซื้อเองสิหนูขี้เกียจหนูจะไปเล่นกับเพื่อนแม่ได้ฟังแล้วแม่สะอื้นเศร้าใจนึกเสียใจมากทั้งน้อยใจ ทำไมลูกของแม่จึงเป็นเช่นนี้ขนาดแม่จะตายปวดทรมานมากแค่ไหนป่วยขนาดเนี้ยใช้ไปซื้อยาแค่เนี้ยก็ไม่ได้แม่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแม่จ้างสิบบาทไปซื้อยาให้แม่ได้ไหมเพราะเด็กหญิงต้อยได้ค่าจ้างก็ไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเขาไม่มีความดีไม่มีจิตสำนึกที่จะตอบแทนพระคุณของแม่เลยเหรอแม่ต้องให้ค่าจ้างสิบบาท ต้อถึงยอมออกไปซื้ อ, อยามาให้แม่ระหว่างที่ต้อยออกไปซื้ อ, อยานั่นเองในระหว่างทางไปเจอเพื่อนอีกสามคนเพื่อนก็ชวนต้อยไปเที่ยวที่วัดเนื่องจากกำลังมีงานวัดพอดีแทนที่ต้อยจะคิดถึงแม่ที่ไม่สบายนอนรอยาอยู่ที่บ้านกลับไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเฮฮาตามนิสัยของต้อยไม่คิดถึงแม่เลยสักนิดเดียว ว่ากำลังเจ็บป่วยรอยาจากต้อยอยู่ต้อยเที่ยวไปกับเพื่อนๆจนเพลิดเพลินเวลาเลยไปถึงประมาณใกล้ตีหนึ่งดูหนังจบแล้วดึกมากพอสมควรเพื่อนๆก็กลับกันหมดต้อยก็พึ่งนึกถึงแม่ขึ้นมาทันทีและลืมไปเลยว่าต้องออกมาซื้อยาให้แม่ในขณะนั้นก็เกิดความผิดปกติขึ้นคืออยู่ดีๆต้อยก็รู้สึกผิดปกติเกิดความรักแม่มาก เกิดความเป็นห่วงแม่มากขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกต้อยก็เลยวิ่งไปที่บ้านอย่างสุดชีวิตในระหว่างที่ต้อยวิ่งมานั้นท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดเสียงฟ้าร้องสนั่นวันไหวเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าคล้ายกับว่าเป็นลางสังหรณ์ วิ่งอย่างสุดชีวิตพอถึงบ้านไม่ปรากฏแม้แต่แสงไฟที่จะเล็ดลอดออกมาข้างนอกบ้านต้อยจึงเรียบตะโกนเรียกแม่ต้อยตะโกนเรียกแม่ออกไปแต่ก็กลับเงียบต้อยโมโหและกระทืบเท้าใส่แม่แม่ทำไมไม่เปิดไฟและเรียกทำไมไม่ตอบอยู่หรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับออกมาเลยมีแต่ความเงียบสงัด มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีเสียงแม่ตอบรับต้อยเดินไปเปิดไฟพร้อมบ่นว่าแม่ตัวเองไปตลอดแม่อยู่ไหนอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือหลับแล้วเอา้าเอายามาให้แล้วด้วยความที่เธอเป็นคนเจ้าอารมณ์เธอก็บ่นเสียงดังด้วยความไม่พอใจเมื่อเปิดไฟเห็นแม่นอนนิ่งอยู่ก็ยิ่งทำให้หงุดหงิดว่าทาไมไม่เปิดไฟ ทำไมไม่ขานรับเพราะทำให้เธอต้องเดินชนข้าวของและเหมือนพูดอยู่คนเดียวซึ่งตามปกติแล้วแม่ต้องออกมาเอาอกเอาใจหาข้าวหาปลาให้เธอกินแต่วันเนี้ยกลับนอนนิ่งไม่สนใจต้อยคิดในใจว่าสงสัยแม่จะโกรธเรื่องนอนหรือเปล่าที่เธอหายไปทั้งวันจึงแกล้งนอนหลับไม่เปิดไฟไม่ยอมคุยด้วยเด็กหญิงต้อยเดินปรี่เข้าไป พร้อมกับเรียกแม่ให้ลุกขึ้นมาเอาอยาที่ฝากซื้อแต่แม่ก็ทำไม่สนใจนอนนิ่งอยู่เหมือนเดิมจนเธอเริ่มโมโหเพราะไปเที่ยวมาทั้งวันข้าวปลาก็ไม่ได้กินจะได้รีบไปหาข้าวหาปลากินและจะได้นอนสัทีเมื่อเห็นแม่ไม่สนใจเธอจึงโยนยาวไว้ข้างๆด้วยความไม่พอใจแล้วก็ไปหาข้าวกินในครัวสักครู่ก็มีเสียงวยวายลั่นบาน พร้อมกับเสียงโครงครามเข้าของหลนกระจัดกระจายต้อยวิ่งปรีกลับมาหาแม่ที่นอนนิ่งอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับกระชากแขนแม่ขึ้นมาถามด้วยความโมโหหิวแม่เป็นอะไรทำไมไม่ทากับข้าวและหนูจะกินอะไรเนี่ยหนูหิวเข้าใจไหมหนูหิวแม่ยังคงไม่พูดอะไรหลับตานิ่งสนิทยิ่งทำให้ต้อยยิ่งโมโห แม่เป็นอะไรทำไมไม่พูดไม่ตอบหนูหิวทาไมแม่ทําแบบเนี้ยไม่รักไม่ห่วงต้อยแล้วใช่มะเธอเริ่มเขย่าร่างแม่พร้องกรีดร้องตามนิสัยเอาแต่ใจตัวเองที่จะเอาอะไรแล้วต้องได้แต่ในขณะที่เธอกำลังต่อว่าแม่และเขย่าร่างของแม่เธอนั้นต้อยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติและเมื่อสติกลับคืนมาหลังจากถูกบดบังด้วยความโมโหหิว เธอเริ่มรู้สึกว่าร่างกายแม่เย็นผิดปกติเธอเริ่มขย่าตัวแม่แรงขึ้นแรงขึ้นเพื่อต้องการปลุกให้แม่ตื่นตื่นขึ้นมาฟังต้อยพูดตื่นขึ้นมาทำกับข้าวให้กินตื่นขึ้นมาเอาใจมาโอ้เธอเหมือนที่เคยตามใจเธอมาตั้งแต่เด็กๆแต่ทุกอย่างกลับนิ่งสนิทไม่มีเสียงตอบรับแม่ไม่ลืมตาขึ้นมาและยังคงนิ่งอยู่เหมือนเดิม แม่ยังคงนิ่งคล้ายกับไม่มีความรู้สึกอะไรเหลือเลยในร่างกายที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ต้อยเริ่มสังเกตว่าผิวของแม่ดูสีแปลกๆไปสัญชาตญาณบอกให้เธอเอื้อมมือไปแตะที่ปลายจมูกของแม่และทันทีที่ได้สัมผัสต้อยต้องกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดด้วยความที่รู้ว่าร่างของแม่ตรงหน้าเธอนั้นปราศจากลมหายใจแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าแม่ได้จากเด็กหญิงต้อยไปแล้วการจากไปของแม่ในคราวนี้เป็นการจากไปที่ไม่มีวันหวนคืนกลับมาจะไม่มีใครมาคอยเอาใจมาคอยเอาใจใส่มาทำทุกอย่างให้เธออีกแล้วแม่ผู้ที่เธอก็รู้ว่าเป็นเพียงคนคนเดียวในโลกที่รักเธอมากกว่าใครและดีกับเธอตลอดมาไม่เคยทิ้งเธอไปไหน และให้อภัยเธอได้ทุกอย่างแม้เธอจะทำไม่ดีทำผิดอย่างไรก็ตามเด็กหญิงต้อยได้ตะกอดร่างอันไร้วิญญาณของแม่ร้องไห้ออกมาอย่างโหยหวนอย่างน่าสมเพชเวทนาและน่าสงสารเป็นยิ่งหนักเธอพร่ำร้องเรียกแต่แม่จ๋าแม่จ๋าต้อยกลับมาแล้วซื้ อ, อยามาให้แม่แล้วแม่ลุกขึ้นมากินยาสิแม่ อ น, นิจจากว่าเด็กหญิงต้อยจะรู้สึกตัวแม่ซึ่งเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอก็ได้จากไปแล้วจากไปอย่างไม่สามารถจะเจอเจอกันได้อีกและไม่มีใครมาแทนที่มาเอาอกเอาใจทําดีกับต้อยได้ดีเท่าแม่ของเธออีกแล้วต่อให้วันนี้ต้อยสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีจะช่วยแม่ทํางานจะไม่ให้แม่เหนื่อยจะตั้งใจเรียน ต้อยจะสัญญาจะตั้งใจแค่ไหนก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเพราะแม่ของต้อยไม่ได้อยู่ชื่นชมหรือมีโอกาสให้ต้อยได้ทดแทนคุณอีกแล้วท่านจากไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมาก ขอให้ทุกคนกตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่ให้มากๆในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่ามานึกกตันยูเมื่อท่านตายจากไปแล้วเหมือนอย่างเด็กหญิงต้อยตอนนี้เลยกว่าจะรู้สึกในพระคุณของพ่อแม่ได้มันก็สายไปซิแล้วแม้ว่าชีวิตที่เหลือเราจะสามารถทำดีเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของตัวเองและผู้อื่นต่อไปได้แต่โอกาสในการตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่นั้น ไม่ได้มีเวลามากนักจงใช้เวลาที่มีในขณะที่พ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่ทดแทนบุญคุณกระตันยูต่อท่านให้มากๆรู้จักแบ่งเบาภาระและทำให้ท่านสบายใจบ้างและทุกครั้งที่เราจะหาความสุขให้กับตัวเองอย่าลืมถามในใจของตนทุกครั้งว่าเคยทำเคยซื้อให้ท่านแบบที่กำลังซื้อกำลังหาความสุขให้กับตนเองทำให้ท่านแบบนี้บ้างหรื อ, อยังก่อนจะรักใคร เคยเห็นในความรักความห่วงของคนบางคนที่มีให้กับเรามาตลอดชีวิตแล้วหรื อ, อยัง l i y t h e r k n o แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายอย่างหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไส่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักแม่เป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยแม่เป็นผู้ ให้ความกาวรุณอุ่นกายใจแม่เป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหารือแม่ยินดี แม่เมื่อคลอดลูกของตัวเองแล้วเป็นวันที่แม่ยิ้มด้วยความเบิกบานและรำพึงอยู่ในใจว่าลูกของเราปลอดภัยแล้วลูกของเราเกิดแล้วเราได้เห็นหน้าลูกวันนี้แม้ว่าชีวิตของเราจะดับดินอยู่ตรงนี้ก็ตามขอให้ลูกของแม่ปลอดภัยก็พอแล้วนี่ล่ะนะน้ำใจอันดีงามของแม่ที่มีต่อลูกขอให้ลูกๆที่รักของแม่ทั้งหลาย จงนึกถึงพระคุณของแม่อยู่เสมอว่าแม่ต้องเสี่ยงต่อความตายก็เพราะใครในขณะที่แม่คลอดเรานั้นบางคนแม่ก็ตายไปจากลูกก็มีแต่บางคนลูกกลับตายไปจากแม่ก็มีสร้างความเศร้าใจและก็เสียใจให้กับแม่อย่างใหญ่หลวงในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าแม่แม่รักเรามากกว่าชีวิตของแม่เสียอีก สิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่จะได้เป็นที่รักของพ่อของแม่จะได้เป็นที่สบายใจของพ่อของแม่เพราะแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลําบากแต่พอโตขึ้นมาหน่อยกลับด่าแม่ตีแม่เถียงแม่ทำร้ายแม่ทำให้แม่ต้องผิดหวังทำให้แม่ต้องเสียใจในบางครั้งถึงกับทาให้แม่ต้องหลั่งน้าตา น้ำตาของแม่ที่ไหลรินออกมาเพราะลูกชั่วมันเป็นน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความน้อยใจที่แม่ไม่สามารถจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้เหมือนอย่างลูกคนอื่นเขาลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศี ลูกด่าแม่ลูกตีแม่ลูกกาลีลูกทอรพีทำแม่ช้ำน้าตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมินน้ำตาแม่หลั่งลงรดพื้นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณ จะถามว่าพวกเราจะตอบแทนบุญคุณจะเลี้ยงพ่อแม่ตอนไหนบางคนก็ตอบว่าขอให้หนูเรียนจบก่อนบางคนก็บอกว่าขอให้ได้ทำงานดีๆก่อนบางคนบอกว่าให้อายุ25ปีก่อนนี่เป็นคำที่ลูกๆตอบมาพวกเธอคิดดีแล้วเรียงว่าจะเลี้ยงแม่ในตอนนั้นได้กว่าจะถึงวันนั้นแม่ของบางคนก็อาจจะตายเสียก่อน อย่าทำตัวเหมือนกับเศรษฐีบางคนในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่เคยปฏิบัติรับใช้แม่เลยไม่เคยเอาใจใส่แม่เลยแม้แต่น้อยนิดพอแม่ตายลงไปเท่านั้นรีบนำศพของแม่ไปใส่ไว้ในโรงทองนิมนต์พระมาสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนจัดงานใหญ่โตมโหราณอวดอ้างชาวบ้านนี่เขารู้ว่าตนเองเป็นลูกกตันอยู่มีข้าวต้มถ้วยหนึ่งน้าครึ่งแก้ว และผลละมาอีกสองสามลูกเอามาวางไว้ข้างลงศพของแม่และยังมีหน้ามาเคาะโลงศพของแม่และบอกว่าแม่ครับแม่จา๋าลุกขึ้นมากินข้าวต้มก่อนนะแม่แม่ครับพระมาแล้วลุกขึ้นมาฟังสวดนะแม่ต่อให้มีเงินมีทองเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่สามารถเรียกชีวิตของแม่กลับคืนมาได้ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เราระลึกถึงพระคุณของแม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าปล่อยให้แม่ต้องตายเสียก่อนแล้วจึงตอบแทนพระคุณแม่หากว่าลูกคนใดที่แม่ต้องจากไปแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นถือว่าถ้าเราทำตัวให้เป็นคนดีแล้ววิญญาณของแม่ที่จากเราไปก็จะหมดห่วงฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรีบตอบแทนพระคุณแม่ในขณะที่แม่เรายังมีชีวิตอยู่ แม่จะถามเราอยู่เสมอว่าหิวไหมลูกเหนื่อยไหมลูกต้องการอะไรไหมแม่จะหามาให้ทุกอย่างและจะมีลูกสักกี่คนที่พูดกับแม่ว่าแม่ครับแม่หิวไหมแม่เหนื่อยไหมแม่ต้องการอะไรไหมลูกจะหามาให้ทุกอย่างจะมีลูกสักกี่คนที่พูดอย่างนี้เปล่าเลยน้อยคนที่จะพูดกับแม่อย่างนี้มีหนาซ้ํา ยิงใช้แม่ยิ่งกว่าธาตุสอีกหน้าที่ของลูกที่จะต้องตอบแทนพระคุณแม่นั้นก็คือจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งใจเป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเราจะได้ยินเสียงของแม่พูดกับเราอยู่เสมอว่าเพิ่งกลับมาเหรอลูกไปอาบน้ำแล้วกลับมาทานข้าวพร้อมกันนะลูกหากว่าแม่ตายไปจากเราแล้วเสียงเ่าเนี้ยจะไม่มีเลยหมอนใบเก่า ที่มีแม่นอนเคียงข้างกับเราก็จะไม่มีอีกต่อไปจะมีแต่ความว่างเปล่าจะมีแต่ความเงียบสงดจะมีแต่ความวังเวงคงไม่มีใครมาปลอบใจเราด้วยความรักและความจริงใจแบบแม่ของเราอีกแล้วขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน เราจะเข้าไปหาคุณแม่เอาหัวหนุนตักและเล่าเรื่องความกลุ้มใจความผิดหวังอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากเป็นคนอื่นเขาเขาจะด่าเราหาว่าเราอ่อนแอแต่นี่แม่จะเอามือรูปศีรษะของเราเบาๆร้องกับบอกว่าลูกเอ้ยให้คนทั้งโลกจะบอกว่าลูกของแม่นั้นชั่วช้าสามานแค่ไหนแต่แม่ก็ยังเห็นลูกของแม่เป็นคนดีเสมอไม่ต้องห่วงหรอกนะ พระลูกคือเลือดเนื้อหัวใจของแม่ตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แม่จะรักเจ้าเท่าชีวิตของแม่ทุกไดที่เจ้ามีอยู่แม่จะคอยเป็นทาวให้เจ้าตลอดเวลานี่คือน้ำใจอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกขอให้เราทุกคนจงตรหนักประลึกถึงพระคุณของแม่ตั้งแต่วันนี้และรีบตอบแทนพระคุณแม่ก่อนที่จะสายเกินไปขอให้ทุกคน จงตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีต่อไปแล้วความสุขใจก็จะมีแก่เราเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีในขณะเดียวกันแม่ของเราก็จะปลื้มอกปลื้มใจการที่เราทำให้แม่ปลื้มอกปลื้มใจนั้นเป็นการต่อชีวิตใหม่ให้ท่านให้มีอายุยืนยาวอยู่กับเราต่อไปอย่าทำให้แม่ต้องผิดหวังอย่าทำให้แม่ต้องเสียใจอย่าทำให้ต้องมีน้ำตาไหลรินอีกต่อไปเลย ถ้าท่านใดที่เคยทำให้แม่ต้องเสียใจแล้วถือว่าเป็นการฆ่าแม่โดยทางอ้อมเป็นการฆ่าแม่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวจากเด็กตัวน้อยน้อยที่อ่อนแอไรเรี่วแรงเติบโตจนมาเป็นคนขึ้ น, นาดนี้ หมดเปลืองเงินทองต้องทุ่มเททั้งกายใจอดทนแค่ไหนใครทำให้เราได้เท่าเธ อ, <ต>อยัดเยียเล่นน้ำตากว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่น สบายใจสักครั้งวันนั้น ลูกคือดวงตาดวงใจของแม่แม่เปรียบเสมือนแสงเทียนที่กำลังส่องแสงสว่างที่ต้องอยู่ข้างๆกายเรา แม่เป็นผู้ให้กำเนิดแม่เป็นผู้ให้ชีวิตพร้อมทั้งเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่เราแม่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของอาจารย์ถ้าลูกคนใดเป็นลูกเนรคุณเป็นลูกที่ไม่รักดีเป็นลูกอกตันอยู่ลูกคนนั้น ก็เปรียบเสมือนกิ่งไม้ที่คอยจิ้มดวงตาของแม่ต่อแต่นี้เป็นต้นไปต้องตั้งใจเป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของพเพื่อนๆเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นพุทธบริษัทที่ดีของพระพุทธศา ส, สนาเมื่อเราทําได้เช่นนี้ ความสุขใจความชื่นใจก็จะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ของเราพร้อมทั้งกับตัวเราเองอย่างแน่นอนลูกคนใดที่เคยทำความผิดต่อแม่ที่เคยทำให้แม่ต้องผิดหวังเคยทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาจงรีบไปกราบขออโหสิกรรมต่อท่านซะให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ และคนที่อยากแก้ตัวกลับตัวกลับใจเสียใหม่สำหรับพ่อแม่นั้นพร้อมที่จะให้อภัยแก่ลูกๆเสมอ นี่คือบางส่วนบางตอนที่แม่ได้มอบให้ลูกผู้เป็นดุดแก้วตาดวงใจของแม่ทั้งหลายต่อแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะต้องกลับตัวเป็นคนดีแล้วเริ่มชีวิตใหม่ขอให้เราระลึกถึงพระคุณของแม่อยู่เสมอว่าแม่ต้องทำงานหนักเพราะใครแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะใครแม่นั้นทางานหนักก็เพื่อลูกเพื่อส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้มีอนาคตที่สดใสต่อไปในวันข้างหน้าพระคุณแม่ลลัมพบจบดินแดนพระคุณแม่เหนือแสนแดนสวรรค์พระคุณแม่ยิ่งใหญ่ตราบชั่วกันพระคุณแม่ล้นอนันต์ พันธวีพระคุณแม่แน่แท้ลูกแลเห็นพระคุณแม่แผ่เป็นเย็นเกสีพระคุณแม่ล้นเหลือเพื่อลูกนี้พระคุณแม่สุดจะมีใครเทียบทานพระคุณแม่สูงเลิศเธอทูลกล่าวพระคุณแม่สุดจะเล่า หรือกล่าวขานพระคุณแม่ล้ำค่าสุดทาทานพระคุณแม่ส่งผ่านสารดวงใจคำหนึ่งคำอยู่ในใจฉันแต่ความหมายนั้นมากเกินคำอื่นใด กบได้ทดแทนในพระคุณแม่นี้ใครหนึ่งคนอยู่ในใจฉันสุขทุกนั้นแม่ไม่เคยไกลสักทีคำพรำ่ำสอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำ กลาบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนกราบแทนคุณแทนรักกี่หนุนยังล้นใจลูกอยู่ยังรู้สึกในใจไม่หาเปรียยพันดินพันน้ำพัน้ารักของแม่กว้างกวาง่า แม่คือถ้อยคัํายิ่งใหญ่หนึ่งคํานี้แทนใจแทนความผูกพันบุทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทขสันโดยหลวงพ่อสมชัยอภิปุญโญสิ่งบรรยายโดยโจโชติดตามดาวน์โหลดธรรมะฟรีอีกมากมายได้ที่ jocho.net S o s h o n e t อยกบอกที่ละมากผมเสียใจอยากย้อนเวยลากลับไปแก่ตัวอีกครั้งจะไม่ทําให้วุ่นวายใจจะเชื่อฟังจะไม่ทําให้แม่เสียใจ ยังไม่สั